ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมได้นําเสนอประสูรในประเภทต่างๆเราเริ่มต้นมาจากผู้ขุตการนิกยก็คือขุตการปาฐะ จากนั้นก็มาเข้าสังยุตตนิกายไปสองเล่มแล้วก็มาเข้าที่ที่คณิกายหนึ่งเล่มจากนั้นก็มาที่ขุตกนิกายเทราคาถากับเทรีคาถาโดยยกตัวอย่างพระหันที่เป็นผู้ชายสี่รูปกับพระหันที่เป็นภิกษุณีสี่รูป เดินทีเดียวตั้งใจจะเข้าที่มัชชิมานิกายเตือนว่ามัชชิมานิกายพระสูตรค่อนข้างยากแล้วก็ยาวมีเนื้อหาสาระมีประเด็นอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในมูละปันนัคือมัชชิมานิกาย เล่มแรกเนี่ยพระสูตรแรกคือมูละปริยายะสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงพิเศษเพื่อกำราบนิสัยที่กระด้างกระเดือกของภิกษุที่ไปพูดคุยกันว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่เห็นมีอะไรถ้าจะง่ายย่างไนั้น เบอระูทเจ้าก็ส่งแสดงเรื่องธาตุสีโดยพิสดารแล้วก็ยากลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับเป็นผลที่จะสัมผัสได้ด้วยผลจากการปฏิบัติพัฒนาจิตคือหมายความว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติพัฒนาจิตไปถึงจุดนั้นจะพูดยังไงก็นึกไม่ออก เขาชาติจะเกรงเกรงข้อนี้อยู่แต่ในสุดก็ตัดสินใจว่าเราข้ามข้อนี้ไปก่อนเถอะก็มาเอาข้อที่มันเป็นวิถีทางสังคมเพราะว่าการบรรยายธรรมะออกทางสถานีวิทยุมันจะต้องยึดโยงกับวิถีชีวิตจริงๆของชาวบ้านแล้วกลุ่มผู้ฟังซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใคร มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็คงมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่นั้นจึงนำพระสูตรที่สองที่เรียกว่าสภาสวัสังวรสูตรเป็นหลักแต่ละข้อเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้แต่แม้จะไม่สมบูรณ ก็แน่นอนและสามัญชนไม่มีใครสามารถปฏิบัติธรรมะได้สมบูรณ์แม้เพียงข้อเดียวนะฮะเช่นสมมติอัปมาทย์คำเดียวเนี่ยเราก็ทําสมบูรณ์ไม่ได้เพราะความสมบูรณ์ของอัปมาทมันไปอยู่ที่ความเป็นพระอรหันหรือสติอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นพระอระหรันต์ เมตตาที่พัฒนาเข้าถึงแก่นแท้จริงๆก็คือการุณาทีนี้การุณาชี่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ไปหยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลจากอารหันต์คือความเป็นพระาอรหาันต์ันธรรมะเหล่านี้ก็คือพย า, ายามไต่บันไดไปเรื่อยๆ ทำได้มากหรือได้น้อยก็าตามก็ต้องพยายามทำประเด็นสำคัญก็คือว่าประตูข้อนี้เป็นก็เรียกว่าอัตตชาสิยาคือเกิดขึ้นด้วยอัตยศัยของพระพุมีพระภากเจ้าวที่ปรารถนาจะส่งแสดงแก่ภิกูจทั้งหลาย มีใจความว่าคราวหนึ่งรู้จ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันอันเป็นอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีในกรุงสาวัติผู้เจ้าได้รับสั่งเรียกพิสูตท้งหลายวันภิสู่ทั้งหลายภิสู่ก็กราบทูลพระพุทธเจา้ารับสั่งว่าภิสูตทั้งหลายเราจากแสดงปริยาย ว่าด้วยการละอาสวะการสำรวมในอาสวะทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงตั้งใจฟังจงใส่ใจให้ดีโดยจักล่าวพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าคือหมายความมาแสดงความพร้อม แต่ประเด็นที่ที่ควรจะสังเกตว่าคือทุกครั้งที่เกิดพระสูตรในลักษณะนี้พระเจ้าจะเน้นอยู่คำสองคาเธอจงตั้งใจฟังและจงใส่ใจให้ดีหมายความว่าในการฟังนั้นจะต้องจิตใจจดจ่อคิดตามไปเรื่อยๆคิดตามข้อความเหล่านั้นไปเรื่อยๆโดยหลักที่เราเรียกว่าโยในโสมนสิการ คือการใช้ปัญญาพินิจพิจนารณาโดยอุบายวิธีที่แยบขายมีความสมเหตุสมผลมีความถูกต้องเหมาะสมถ้าไมอย่างนั้นจะเกิดประโยชน์ยากเพราะอะไรเพราะว่าพระสูตรในลักษณะนี้เป็นแสดงภาวะแห่งสัจธรรมชี้ลึกซึ้งหมายความถ้าจะปล่อยคนถามนี่คนถามไม่เป็นคือตั้งปัญหาไม่ได้ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรประูติในลักษณะนี้จึงต้องเกิดขึ้นหมายความพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระมหากรุณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่พระควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็จะทรงประรบเรื่องขึ้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมะเหล่านั้นรับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสะวะของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสะวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็มีประเด็นอยู่สามประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คืออาสะวะอาสะวะเป็นบทสรุปรวมของกิเลส โดยแยกประเภทเป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกามาสวะก็คือกิเลสสายของโลภะกับราคะคือสายกามาตัญหากับภวะัญหามีจิตใจที่ไขว้คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็น แต่ตามปกติแล้วเขามีลักษณะเป็นตะกอนใจใคล้ายๆตะกอนในภาชนะมันอยู่ข้างล่างมันจะต้องมีการกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือเหนียวนึกจากข้างในอาสวะก็จุกฟุ้งขึ้นทีนี้ถ้ากวกฟุ้งขึ้นออกไปยึดกรุมจิตของบุคคล แล้วลุ่มรุมจิตของบุคคลให้คิดผ่านไปในอารมณ์เหล่านั้นเราก็เรียกว่านิวรนแปลว่ากิเลสประเภทรุ่มรุ ม, รมใสนิวรนเหล่านั้นที่จริงก็มาจากอาสวะเราเจนว่ากามฉันนิวรนมันก็มาจากกามาสวะแต่เป็นกามาสวะที่ ทำปฏิกิริยาต่อจิตแล้ขวขายึดครองจิตแล้วยึดคุมจิตแล้วจิตเริ่มจะสูญเสียการทรงตัวและจะขาดความเป็นตัวของตัวเองทีนี้ภาวาสวะที่จริงก็เป็นพวกเดียวกันแต่ว่าเป็นความอยากได้อยากมีอยากมีนะไอ้อยากไม่ใช่อยากเป็น อยาเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นก็อยากไปสาราพัดเรื่องที่จะเป็นซึ่งหมายความว่าถ้าได้เป็นก็อยากเป็นต่อไปแต่มีการขัดขวางจากบุคคลอื่นหรือวัตถุอื่นหรือสิ่งอื่นพวนี้ก็จะตัดสินว่าสิ่งเราเนี้ยเป็นอุปสรรคต่อการเป็นของเขาแล้วเขาก็ต้องพยายามเป็นให้ได้ ในที่สุดมันก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพฤติกรรมแบบสัญชาตญาณของสัตว์คือการยื้อแย่งยื้อแย่งอาหารยึ่งแย่งทีง่อยู่ยึง่งยื้อแย่งอำนาจแล้วก็ยื้อแย่งความเป็นใหญ่ แต่อย่างนั้นเราจะพบว่ามันมีอาการของกามาสวาภวาสวาแล้วก็เจือด้วยโทสะนี้แรงเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมขัดขวางการได้การเป็นของบุคคลตนนั้นมันก็เกิดโทสะ แต่ถามว่าอาวิชชาสวะเป็นยังไงอวิชชาสวะมันก็เพิ่มขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าการได้การเป็นเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติตอนนั้นเด็กเพราะว่าคนเราถ้าเรามองให้ดีว่าเราเริ่มจากไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแล้วค่อยค่อยได้ค่อยค่อยมีค่อยเป็นขึ้นแล้วก็ในที่สุดเนี่ย กลัผู้ได้ผู้มีผู้เป็นก็จะเสื่อมไปแก่ไปและสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นก็จะสูญหายไปแตกทําลายไปเสื่อมถลายไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ได้ผู้มีผู้เป็นซึ่งสูกสมมติขึ้นเนี่ยมันก็ต้องที้หมดแม้แต่ร่างกายตัวเองเขาไปไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ได้ที่มีที่เป็น มันก็กลายเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปก็ยื้อแย่งกันออกไปเพพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละที่ว่าที่ไม่ดีอะ่ะมันก็ออกมาจากพวกนี้ออกมาจากกามาสวะภวาสวะอวิชาสวะแยกงอาหารกันกินมันก็เป็นกามาสวะแย่งชินกันอยู่มันก็เป็นภวาสวะกับกามาสวะ แย่งคู่กันพิศวาสมันก็เป็นกาม m a s วะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่มันก็เป็นภาวาสวะ swa รวมงกามาสวะด้วยเลยนะแต่ทั้งหมดมันก็สืบเนื่องมาจากอวิชา swa ความเหลวไหลต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าเมื่อไรก็ตามเราอาจจะย้อนไปไกลถึงเรื่องโบราณ ก็คือเรื่องของรามเกียรติ์แต่ความเราสังเกตว่าดูเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากได้อยากเป็นด้วยความมืดบอดของเหตุผลและสติปัญญาแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นศึกสงครามเรื่อยๆบทสึกสงครามนั้น ฝ่ายหนึ่งอยากได้แต่ฝวายหนึ่งไม่ยอมฝ่ายหนึ่งก็แย่งฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมก็เกิดสึกขึ้นมาแล้วก็แย่งคู่กันพิศวาสนะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องแย่งคู่กันพิศวาสนางสีดานั้นเป็นมเหสีของพระรามทศกัณฐ์อยากครอบครอง ด้วยอำนาจของกามาสวะทศการก็เป็นยักษ์ค่อนข้างบ้า ก, กา่าแล้วก็ใช้บายวิธีต่งตางๆมาหลอกวิธีหลอกของแกนั้นจะเผยจุดอ่อนทั้งหมดตอนที่พระรามสืบทราบเนี่ยมันก็สืบทราบจากวิธีการของท่านจากมารีดเป็นต้นไปไปถึงนกสดายุ ซึ่งเป็นพิรุษเป็นร่องรอยที่โทศกัณ์ได้สร้างไว้บนเส้นทางผ่านที่การนำนางนางสีดาไปแล้วก็เมื่อนำไปแล้วก็ให้อยู่ในอารักขาของไมสีพิเภกซึ่งก็เป็นพวกพระดับในสุดก็ทะลุโ ป, ปร่ปปรง หมายความว่าเป็นประจักษ์พยานให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะมันมีอวิชาอยู่การทำโดยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันมีอวิชาอยู่ด้วยกันจะต้องเผยจุดอ่อนพิรุธอะไรต่ อ, อะไรต่างๆทิ้งร่องรอยเอาไว้มนุษย์จะคิดเก่งยังไงก็ตามที่จะปกปิดร่องรอยได้ทั้งหมดเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ แม้แต่ลักษณะของการฆ่าปิดปากคล้ายจะปิดปิดร่องรอยได้แต่มันปิดกฎหมายอาจจะได้นะฮะปิดกฎหมายเนี่ยอาจจะได้แต่บางทีก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ต่อนเนื่องกับการฆ่ากอดฆ่าหลังฆ่าเนี่ยมันยังทิ้งร่องรอยอยู่สมมติว่าปิดตรงนี้ได้ แต่เราไปปิดกรรมไม่ได้ปิดกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าคนอื่นไม่ได้แล้วในที่สุดก็จะรับรองผลกรรมรองนั้นไปผลกรรมะติดตามไปก็เหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปทีนี้พวกนี้เหมือนเมื่อมันมาจากอวิสาซึ่งก็เป็นรากเงานะฮะเขารากเงาของสรรพกิเลสทุกประเภทเลย เราเจอกิเลสเมื่อไรเราก็จะเห็นอวิชาอยู่เบื้องหลังเป็นเงาทมินอยู่เบื้องหลังตลอดนคนที่สามารถจะรู้จะเห็นธรรมะได้เนี่ยมันก็ต้องสร้างวิชาขึ้นทำหน้าที่รู้มันทำหน้าที่สลายความมืดบอดของเหตุผลสติปัญญาก็คือตัววิชา ดังนั้นจึงรับสั่งว่าเรากว่ากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าจะมีคนที่รู้เห็นเท่านั้นเองรู้เห็นอาสวะเหล่านั้นตามความเป็นจริง วันนี้เป็นตัวอสวะอั น, นี้เป็นเหตุเกิดอสวะอั น, นี้เป็นความตั้งอยู่ของอสวะอันนี้เป็นความดับไปของอสวะมันต้องรู้ทุกขั้นตอนของอสุวะเหล่านั้นเพราะว่ามันก็แปลสภาพได้ไปเรื่อยๆแต่ที่เขาต่อสู้อะไรต่ออะไรกันในบ้านในเมืองเราเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเมื่อไรก็ตามเลยนะฮะ คือถ้าเรามองกลับไปวันนี้คือการสะท้อนออกของกิเลสอาจจะมีความรู้ความเข้าใจบางระดับแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดก็สร้างปัญหาได้สารพัดทิ้งเอาไว้ในโลกทีนี้ปัญหาว่าทำยังไงจึงจะเกิดรู้ละ ตอนยังไงจะเกิดความรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ได้เห็นอาสวัตดังนั้นก็รับสั่งเรียงขึ้นไปเรื่อยๆ ร, รับสั่งเรียงขึ้นไปเรื่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอะไรอยู่รู้อะไรแล้วก็เห็นอะไรหรือทั้งรู้ทั้งเห็น ทั้งความจะสังเกตได้ว่าคําว่ารู้ในที่นี้คือวิชาหรือปัญญาหรือญาณก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะแต่คําว่าเห็นนั้นคือทัศนะทัศนะก็คือจิตจิตนั่นแหละคือสมารถจิตนั่นแหละหมายความว่าเป็นความรู้ความเห็นทึ่งเกิดขึ้นจิตจิตเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจิตจิต แสงสว่างเกิดขึ้นที่จิตความมืดที่มีอยู่ภายในจิตก็ถูกสลายไปสิ่งทลายก็จะปรากฏแก่จิตตามความเป็นจริงแต่วิธีที่จะก้าวไปมันจะก้าวไปยังไงก็ทรงแสดงไว้เป็นห้าเป็นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดขั้นตอนด้วยกันก็เจ็วิธีพูดงว่าเจ็วิธี ทีนี้ในเจ็ดวิธีเหล่านั้นในอีกแง่ของการปฏิบัติกับในแง่ของการแสดงกับการเรียนรู้เนี่ยคือการการแสดงมันเป็นการเสนอวิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแบบการเรียนรู้เราก็ต้องเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องจับเอาที่ใดที่หนึ่งมันก็เหมือนกับสถานที่แห่งหนึ่ง เราสามารถจะไปเดินทางโดยถนนสายใดสายหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะถึงที่นั่นแหละธรรมปฏิบัติเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเดินเข้าไปเราเวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกว่าทางใดทางหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันจิตใจเราที่สัมผัสเนี่ย เราสัมผัสเรื่องสมบัอารมณ์ต่างๆที่มาจากข้างนอกเนี่ยเราสัมผัสทั้งหมดทั้งเจดอย่างจิตเราในแต่ละขณะเป็นอย่างนี้แต่ละขณะเป็นอย่างนี้แต่ละขณะเป็นอย่างนี้แต่ละขณะเป็นอย่างนี้มันก็แสดงว่าต้องครองชีวิตจะมีสติสัมปชัญญะความเขียนรู้เท่าทันถึงความจริงในแต่ละขณะที่ปรากฏแก่จิต แต่ตอนแรกๆยังไงเราก็คุมเวลาให้จิตอยู่โดยธรรมะข้อนั้นข้อนั้นไม่ได้นานหรอกมันก็แว่งไปแว่งมาดิ้นรนกันไปสู้กันไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาทั้งเจทางนะแต่แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราถนัดในทางใดวิจิตทางเนี่ยเราจะเลือกในทางใดคล้ายๆกับอารมณ์กรรมฐ า, าน อารมณ์กรรมฐานเราจะเห็นว่าสมถะกรรมฐานก็มีทั้งสี่สิบเอาเลือกสักข้อจีแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติพอถึงจุดดึงมันก็จะกระโจนไปหาอีกชุดดึงไปเรื่อยๆแล้วก็สายสมถะ น, นี้ก็นำไปสู่สมาธิได้ด้วยกันจะถึงฌานนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าทางตอนปลายเนี่ยมันจะดีบ อันติดบีตรงไปคือวปัสสนาก็มีนามรูปเป็นอารมณ์ในการพิจารณานั้นเราจะพิจารณานามก็ได้พิจารณานรูปก็ได้พิจารณานทั้งสองอย่างแต่มันเกิดมันเกิดสองอย่างมันเกิดทั้งนามทั้งรูปแต่เราก็ดูมันทั้งนามทั้งรูปนั่นแหละตามสมควรแก่กรณีของจิตที่สัมผัสอารมณ์ในขณะนั้นๆในที่นี้ก็ส่งแสดงว่า ความสิ้นอสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้ผู้เห็นโดยโยนิโสมณติการและอะโยนิโสมณติการมันก็วิธีการเนี่ยอะไรเนี่ยไม่สำคัญสำคัญเท่ากับอย่างไรเพราะอะไรเพราะว่าในโลกนี้มันมีความดีกับความส่วมมันมีสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลาง ผลการโยนในสมมติการก็คือการใช้ปัญญาการใช้เหตุผลคิดโดยอบายวิธีที่ชอบทรมมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้ น, น, นในกรณีที่เป็นสิ่งดีหมายความว่าเราพิจารณาสิ่งที่เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้ แต่ให้เห็นโทษดโดยความประจักษ์วันนี้คือโทษเห็นคุณโดยความเป็นคุณโดยประจักษ์แก่ใจวันนี้เป็นคุณแล้วเราก็เว้นส่วนที่เป็นโทษมาประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นคุณก็แสดงว่าคุณจะใช้อายนิโส ก, ก็ได้มันอโยนิโส ก, ก็ได้คือ ไม่พิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยกขายพอพอไม่มีอุบายวิธีที่แยกขายเนี่ยมันก็เจอหมดอะหมายความว่าเราก็มีปัญหาได้ทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงา้า้คำว่าอโยนิโสมรดิการในที่นี้มีความหมายเพียงว่า ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเรื่องอะไรที่ควรใส่ใจก็ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นเรื่องอะไรที่ไม่ควรใส่ใจก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประเด็นของอายในิสุปนิการก็คือไม่ใส่ใจในอกุศลไม่ใส่ใจในอกุศลที่ผ่านมากระทบหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้อาสวะมันเกิด up เราไม่ใส่ใจผู้ระดับสัมผัสอารมณ์พรสะสาสวะมันยังไงมันก็ถูกกระตุ้นมาทางตาหูจมูกกลิ่นขาใจโดยการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพนั่นแหละไอ้นี่เราต้องเจอทุกแห่งนั่นแหละเพราะเราก็มีท่านี้เองรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพรมอารมณ์เพราะแต่เราไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจ ก็ปิดกั้นกระแสของกุศลไม่ได้โยนิสมนักการก็คือใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจสรุปว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เมื่อใส่ใจไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปหรือว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วย่อมเจริญเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นเราไปวิเคราะห์ที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจตา้งคำถามว่าคิดอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่คิดไม่คิดกิเลยที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิด ยี่เลยที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปนี้ก็แสดงว่าทั้งโยนิสูมัตริการและอโยนิสมัตริการในขณะที่เราสัมผัสอารมณ์เนี่ยมองข้ามองขําสิ่งที่สัมผัสไปเพราะถ้าใส่ใจในเรื่องเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้น ทำไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้อะไรจะเกิดขึด้นหมายความว่าถ้าเป็นไปเพื่อสงบระ ง, งับแผงกิเลสทั้งหลายจะเรียกอะไรก็ได้เราก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราใส่ใจไปแล้วต่อมาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเราก็ใส่ใจนี่ก็แสดงหลัก ซึ่งก็หมายความว่าตํำกับจิตเป็นหลักตํำกับจิตความคิดเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องยุ่งที่สร้างให้เราสูญเสียเวลาไปเยอะเช่นบางครั้งบางคราวเราฟังข่าวคราวต่างๆอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองอะไร อ, อะไรก็มันก็เรื่องของเขาไงนะ คือจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าดีมันก็เป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองถ้าไม่ดีมันก็เป็นผลเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองแต่ว่าตัวเหตุจริงมาจากเขาตัวเหตุจริงๆเนี่ยมาจากกิเลสภายในใจของเขาเราไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดจาอะไรได้ เราก็ต้องทำใจวางวางใจเป็นกลางเฉยๆแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องมันอยู่ในวิสัยเราพอจะพูดจาอะไรกับเขาได้ก็อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อให้คิดให้พินิจพิจารณาเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่หน้าที่ของเราเราได้ทำแล้ว การจะทำตามหรือไม่นั่นเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่สามารถจะไปบังคับคู่คุมอะไรก็ได้ก็ทำให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยใส่ใจไปแล้วก็ทานั้นแตงความลองสังเกตว่าข่าวในแต่ละแต่ละช่วงที่ไหนก็ได้นะะข่าวโทรทัศน์ก็ได้วิทยุก็ได้หนังสือพิมพ์ก็ได้ คือบางทีอ่านแล้วกิเลสมันเกิดบางทีอ่านแล้วทํามามันเกิดบางทีอ่านแล้วก็เลื่อยไปเกีหมายความมาอ่านก็สักแต่ว่าข่าวเมื่อในกรณีที่อ่านแล้วสักแต่ว่าข่าวก็ดีกว่ากิเลสมันเกิดแต่ถ้าอ่านแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ดี แต่ถ้ากิเลสเกิดก็ไม่รู้หาเรื่องใส่ตัวทำไมหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนทำไมเพราะมันห่างไกลจากเราพระนาการโยนิโสมันไิการกับอายุนิโสมณติกาเนี่ยโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าส่งแสดงเน้นที่โยนิโสมณสิกาฮะแต่ว่าในกรณีนี้เน้นที่การสัมผัสอารมณ์วินิจจัยอารมณ์ตรัสินอารมณ์ แล้วก็เลือกเฟ้นท่าชีที่เราจะมีต่ออารมณ์เรานั้นว่าคุณจะใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจถามต่อไปว่าใส่ใจไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ใส่ใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันก็มีอย่สองประเภทหมายความมาเรื่องบางเรื่องใส่ใจไปแล้วกิเลเกิดขึ้น แล้วกิเลสที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเราก็ไม่ใส่ใจก็เป็นอาย่ในสูงนักิการไปทีนี้อย่างเนิ่งก็ใส่ใจไปแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเราก็ใส่ใ จ, ก, ใใจก็กลายเป็นโยนในสูงนักติการนั้นก็ออกมาอย่างนี้ทุกวันเนี่ยที่เราเรียกว่ายินดียินร้ายเราจะเจอบ่อยที่สุดคำว่ายินดียินร้ายเนี่ย กิทธากันตามนาปาลูปาสตาคันธารสาโภตบาโลเกปิยะรูปังสาตรูปังหมายความอารมณ์มันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้ความมันถ้าอย่างนี้แล้วไปใส่ใจกรรมสวะก็เกิดเพราะว่าสวะก็เกิดอวิชชาสวะก็จะเข้มข้นมากจริงขึ้น เพราะว่าถ้าอาวิชชาสวะไม่เข้มตามเนี่ยพวกนั้นไม่เกิดอ่ะมันต้องเกนต่เข้มตามเข็นไปเป็นกระบวนการทางจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสธรรมชาติก็เป็นอย่างงเพราะนั้นจึงเน้นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบข่ายอาสาวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมจะเริญขึ้นเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยกขายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปนี่ประการทีนี้ประการที่สองเนี่ยอสวะที่พึงละได้เพราะการเห็นก็มี หมายความว่าการเห็นความจริงตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นอาจจะเห็นอะไรก็ได้แต่มันอยู่ที่วิธีการมองของเราเราจะเห็นว่าบางชีเนี่ยอาจจะมองไปในในที่ไกลเช่นสมมติว่า เราเห็นคนเอ า, เอาดูดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าอะไรกันเราจะเห็นว่าจุดที่กระตุน้นความเบื่อนหน่ายในโลกในชีวิตของพระพุทธเจา้าก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายพวกนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่สุงมองแล้วมันหมุนบุญ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็ตายเกิดแก่เจ็บ ต, บ ต, บตายปัญหาทางออกไม่ได้าทางออกไม่ได้มาก็ทรงเริ่มอยู่ในสโเมติการทรงเริ่มคิดคิดครั้งแรกก็คือว่าไอ้กแก่เจ็ตายเนี่ยมาจากไหนในสุดก็ทรงเห็นว่ามาจากเกิดพระโพธองค์ก็ทรงผ่านการเกิดมา แต่ว่าความรู้ขณะนั้นก็อยู่เฉพาะตนนั้นก็ยะงหาทางออกไ่ได้ว่าและเกิดมาจากไหนนี่ยังหาทางออกไม่เจอพอพระปิญสมณะนี่ทรงเจอทางออกทันทีเลยเพราะทางออกต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ที่การใช้วิถีชีวิตแบบสมาณะก็คือต้องสงบเพจ ที่ทำให้คนเกิดมาจนถึงกระดับเพุที่ทำให้คนเกิดมาแต่ว่าคาราวะาวิสัยนะครับแค่พิจนะัดขัดข้ อ, ของบุญนวายพระเจามักทรงชายคำว่า น, นอนเบียดเสียดอยู่กับลูกกับเมียคือไม่มีโอกาสจะคิดเก่กับเรื่องนี้น เพื่ภาพเหล่านี้เราจะลืมมาเป็นภาพในพระราชวังของพระองค์เองเกลื่อนไปด้วยสาวสารกานันในนะฮะห้อมล้อมอยู่เต็มไปหมดก็เรียกว่ายัวเ ย, ยะยในปราสาทยังยัวเ ย, ยะไลมีแต่การกระตุ้นกา ม, มาสวะกระตุน้นภวาสวะแล้วก็เพิ่มปริมาณของวิชาสวะ แต่เราลองสังเกตวิธีของพระองค์ก็คือไม่ค่อยอยู่ในวังก็ไปอยู่ที่อุทยานทั้งๆ ท, ที่ก็สร้างปราสาทไว้ให้เนี่ยแต่ก็ไม่ยอมอยู่ในปราสาทก็มาอยู่ที่อุทยานทหารที่อารักขาก็ต้องอยู่ไกลๆคือไม่มาอยู่ใกล้สรงกรับบรรยากาศให้เหมาะในการมองในการคิด ในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งบังเกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะในการเห็นปัญหาสำคัญว่าเราเห็นอะไรและเราคิดอย่างไงพิจิงอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ลอย่างยกตัวอย่างในเทวทูตเนี่ย เทวทูต ท, ที่ท่านแสดงไว้ในเทวทูตสูตรนั้นก็มีอยู่ห้านะครับอยู่ห้าในนี้มีอยู่สี่ก็ไปเพิ่มผู้หญิงมีคันแก่หรือทารกที่นอนอยู่บนบกแล้วก็นักโทษที่ฉุกถูกจองจำด้วยอาญาแผ่นดิน แต่ก็คนแก่คนจะคนตายคนเราอาจจะมองจากจุดของผู้หญิงมีคันแก่ก็ได้คือผู้หญิงที่มีคันแก่เนี่ยเราเห็นแล้วก็นึกถึงแม่ก่อนนะ่ะนึกถึงแม่ที่อุ้มคันเรามาแล้วก็รู้สึกเป็นหัวเป็นใหญ่ เห็นผู้หญิงนั่งผู้หญิงคันแก่นั่งซ้อนท้ายจักรยานแหลมสะดุ้งรูปติคือเรานึกถึงแม่เราอย่างน้อยก็ความคิดดีนะฮะความคิดมันเป็นกตัญญูแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าเออไอเด็กที่อยู่ในในคันเนี่ยมันทุกข์นะมันอึดอัดมันขัดข้องมันอยู่ด้วยความลํายากลําบาก มือก็ถูกจับไปยัดไว้ในซอกแห่งใดแห่งหนึ่งขยับเขยื่อนตัวได้ยากมากเพราะพื้นที่ของคันมันก็แคบหรือมองเด็กที่คลอดมาแล้วว่าจะเห็นว่า เ, ออเด็กคนนี้ต่อไปก็จะเดินเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไกล ย้อนกลับมาเข้าขันเหมือเดิมเดยวก็เป็นทารกแบ่เบาแล้วก็แก่เจ็บตายนี่เราก็คิดได้แต่ต้องเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงถ้าปัญญาเราไม่มีมากพอเราก็เห็นเห็นได้ยากนะฮะ เพราะอย่าลืมว่าความรู้ความเห็นที่ส่งแสดงเอาไว้นั้นมันเป็นความรู้ความเห็นที่สลายอาวิชาเราไม่ต้องพูดตกามาสวะภาวาสวะเราถลายสลายอาวิชาสวะได้แล้วก็จบเพราะพวกนั้นเป็นจริงเฉยๆเป็นหน่อที่งอกไปจากอาวิชาสวะเป็นวิธีการเห็น ซึ่งทรงอธิบายเองนะับต่อไปจะทรงอธิบายเองโดยโดยพิสดาลแล้วก็ได้หลักในการปฏิบัติประการต่อไปก็คือวิธีวิธีที่สามก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยการ พึงละได้เพราะการสองบอรก็มีสองบอ ร, รเราเห็นว่าก็แนวสีนี่แหละก็แนวธรรมานี่แหละการเจริญกุศลตั้งแต่สีและขันเป็นต้นไปหมายความว่าภารกิจของเราก็คือสำรวมระวังการสำรวมระวังนั้นเป็นการสร้างภูมิต้านทานภายในจิตไม่ให้รับอารมณ์จากข้างนอก โดยเฉพาะอารมณ์ที่กระตุ้นก a r m a สวะภวะสวะวิชาสวะจะท่งแสดงไว้ในรูปสังวรหะป็นตณ์แต่ว่าปริยายเหล่านี้ก็แล้วแต่จะส่งแสดงเท่าไหร่ส่งแสดงหนึ่งก็ได้เฉพาะอินทรีย์สังวรสติสังวรก็ได้หรือสีสังวรก็ได้ก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ผู้ฟังเป็นพระ ถูกวางเบทพระธรรมมันก็ต้องขยายตัวเพิ่มปริมาณขึ้นต่มีวุฒิภาวะที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดปริยายแห่งธรรมะก็จะเพิ่มพูดมากขึ้นขึ้นดังนั้นในบางกรณีเนี่ยเราล่าได้โดยการใช้สอย อะไรล่ะที่เราใช้สอยเราใช้สอยปัจจัยสี่แต่เราจะเห็นว่าเราสยบจิตในปัจจัยสี่ที่เราใช้สอยนั่นแหละบางทางที่เราเรียกว่าเครื่องใช้สอยเรียกว่าบริโภคใช้สอยเพราะว่ามันมีอาหารอยู่ด้วยบริโภคก็ใช้สอย แต่เราก็สยบติดอยู่กับสิ่งที่เราบริโภคใช้สอยก็ยังนึกถึงไอ้ไรเมด้ามากอดมีรองเท้าสามพันคู่มีชุดต่างๆอู้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ผลุท้ายมันก็เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงการได้มาในทาง ไม่สุจริตของทรัพย์สินเงินทองที่นําไปสู่รองเท้าจํานวนเท่านั้นเสื้อผ้าจํานวนเท่านั้นอะไรจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยแล้ว ก, กลายเป็นร่องรอยแล้วก็ในที่สุดก็อย่างที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์ที่ยริงบทเรียนเหล่านี้มันก็มีเยอะนะมี ม, ม, มีอยู่เยอะเจียงแต่ว่าเรามักจะมองในมิติเดียวในมิติใดมิติหนึ่งที่เราอยากเหมอ จะเรามองละครหรือภาพยนตร์เนี่ยถ้าเรามองให้เป็นก็เหมือนกับอ่านหนังสือเล่มใหญ่ทีเด็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ที่มีสาระสาระ ก, ก็คือการดําเนินชีวิตธรรมดานี่แหละแต่มันสะท้อนธรรมะอยู่เบื้องหลังการมีการไม่มีธรรมะอยู่เบื้องหลังจะถอนออกมาแล้วพวกนี้ในสุดก็จะ ไว้สรุปผลไว้ในตอนสุดท้ายคือสุขหรือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ต้องฟังทหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี